หน้าหนาวที่จริงหน้าเยภนเพราวน้าดี น, านะนะอากาศลมสบายเวพอข้างล่างมีเมืองอาการกำลังคอดีทางเราจะไปโทีทตินฝ้ากันหนาวเกินไปก็ลำบากร้อนเกินไปก็ลำบากมีความพอดี ในเดกวิกาการก็ดีพอเหมาะแลย่งเดียวคือความเปลี่ยนของพวกเราเร่งหนึ่งในขางการโฆษนาก็คือความเปลี่ยนจุดเริต้นความเปลี่ยนมันน้อยความเปลี่ยนไม่ตอนนี้ยงรู่งมีความเพียนเลยเี่ยนหนักเลย ควเพนทางกายควาเพนทางใจงหนักไปด้วยบางเรื่องมีกาลังไน่จับตัวเองคนที่มีกาลังคนที่งานเหนื่อยเหนื่อยพ อ, อไรเหนื่ยพราะคมคิดของตัวเองมาพูดกันทางคอเมคิดเองแล้วก็ไม่รู้ควาเหนื่อยรำโดยกายรำโดยใจ ในเรื่องนีขอเพบคุณพรเป็นสติฉะนั้นตัวแรกของเพงจึงเป็นเราคองขอสติขอเพียนในตอนเรื่องสติมันก็จะตามมานี่ค้เงสติช่วงเช้าเราพูดจึงควาเใศของหลวงปูม่มันมันเป็นอย่างเราสั้นๆครับ ฉันบอกว่าสงที่มีข้ามมากที่สุดในบรรดาธรรมะทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมะ ก, ก็คือสติหนึ่งชุดองค์ของวิปัสนากรรมฐานในวาปัสนาไม่เกิดเมื่อสติมันเกิดขึ้นแล้วทางอธิบายต่อปันเหมือนกับเรามีที่เลี้ยงถ้าจิตเราวม่มีที่เลี้ยง ไม่ได้สติเหมือนกับเด็กที่ปล่อยปละเลยเขาเกิดอันตรายเด่กมันไม่รู้มันก็ไปเลยไปทำชานของมันมันก็คานไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจะเปน็นต้องมีที่เลี้ยงดูเลยสํากับมิจโรสติไม่ควรสมบัติของสติจิตของเราเป็นการรับนผะู้ร่างอันตรายไม่จบไม่สิ้นออกจากเรื่องนึงไปเรื่องหนึ่ง เนี่ยเพมันไม่ไมีเลี้ยงเนี่ยคนสบายก็สติทำว่าสติ่ ำ, ำเดียวอยสองคือมันเหมือนกับครอบคราอาหารเรากนไปจะต้องมีทุกวันมันกินทุกวันเพื่อกาลังหนึ่สายกรงกระดอาหารเับ้รรมมาอาหารแล้วอาหารคงใจวันหนเราไม่กิน น, นเราไม่มีสติจิตใเราก็อ่อนเอ ก็ซู ข, ขับ อ, อุปสรคปัญหาหนานแล้ว ก, ก็การไม่ได้ไม่ใช่อ่อนเองจะมีกำลังกำลังก็โรคภัยไข้เจก็เปลี่ยนโรคภัยขเจ็เป็นตัวที่ทำให้ปัเทาว่าบางก็คื อ, อยาพลังสิติจึงเป็นยาที่เป็นธรรมะโอสถที่จะเยียยาจิตใจของพวกเราคนส่วนตัวสติเพราะนั้น อาตาปีสตหมัลสัมปชัญญโนความต่อเนื่องคือการรู้ตัวอยู่ใกลตัวอยู่ในตัวคือสติในตัวนี่คือสมบัติคือรำคาญถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดจะเป็นสมบัติที่กินจิตตัวไปเป็นเรื่องของกายที่บอกเราว่าเหนื่อยเมื่อเช้าทำมันเลย ไม่กี่วันก่อนไปเป็นเพ่พผู้เรียนเด็กฟังสองคำนี่แหละเหนื่อยต้องทำหน่อยเหนื่อยก็ต้องพักนับก็ต้องวางง่ายอย่างงี้ถ้าเรารู้ว่าเหนื่อยไม่ใช่ เ, เรื่องเรื่องกายไ้่นใช่ใจมันจะต้องพักแต่เราการพักพ่อนมันทำงานกาย แต่เราไม่พักเราก็จะบอกว่ามันเหนื่อยเพราะเราไม่พักหรือพักกายจิตก็เหมือนกันถ้าเจิตมันโฟกัสร้างกำค้างเชี่ยวครั้งหนึ่งจิตมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันจะเป็นต้องพักคำว่าพักของจิตก็คือสมาธิเหนื่อยก็พักหนักถ้าเรารู้ตัวมันน เราก็วางเหมือนเราแบกของถือของอยู่ในมือแบกอยู่ในเบาะมารู้มันหนักก็วางลงถ้าถือไปก็วางลงมันก็จะเบาาวจิตเขึ้นเหมือนกันถ้าเรารู้ว่ามันหนักกายเราหนักจิตมันหนักแต่เราไม่วางเรากลับไปชุดสิ่งนั้นตรงแต่งสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆมันก็ยังหนักไปเรื่อยๆเพราะเราวางไม่เป็น อยูเอาไม่เป็นนะคราบว่าสติของเราบางน้อยมือสติมปัญญาก็ไม่เกิดเพราะนั้นสติปัญญาจะเป็นของคู่กันจิตปัญญามันเกิดจากสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิก็ก ค, คือจิตของเราอยู่กับปัจจุ บ, บนนัน mm hmm. เดี๋ยวนั้นขณะนั้นเดียวนี้ขณะ น, นี้อยู่เรียกว่าสมาธิถ้าไปจิตอยู่กับอดีตอนาคตไม่ใช่มไม่เรียกว่าสมาธิ ซึ่งส่วนใหเราเกร็ไปอยู่กับปฏิไปอยู่กับอนาคตจึงบอกเราให้กาหนดประจุบังเดี๋ยวนี้ขณะนี้เวลานี้ว่ามันโศกมันทุกข์หรือว่าเฉยๆก็คือเวทนาได้อยู่ความรู้ว่าสศกทุกข์อะไรเนี้ยรู้เวทนาแต่ถ้าเวทนาเกิดขึ้นแนี่เราก็จะไม่รับรู้เวทนาแล้วกลับไปคิดอย่าอื่นคือไม่รู้จักตัวเราเอง ป็นตวที่สองคือรูปเวทนะวาเวทนาขนานนี้เราก็ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิหรือจิตจำนงสาธิคือต้องการให้จิตเราก็อยู่ปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นว่าร่างกายหรือว่าจิตใจของเราปรุงแต่งคิดเรื่องอะไรมันจะได้ดับเพื่เห็นการดับของมัน แต่นี้การเกิดเราก็ไม่เห็นการดับก็ไม่เห็นเลยไม่รู้จักวิธีดับดับคือนิโรดนิโรธะแปลว่าดับมันไม่เคยดับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักหนทางคือวิธีการต่างให้มันดับอันั้นจิตก็ อ, อะไรก็ตามถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เป็นกลางด้วยคือมันเข้าข้างอันใดอันหนึ่งนนั้ เราจะเข้าใจสภาวะของใจของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยกสิ่งนี้ขึ้นเป็นนามในชีประจำวันโดยในขณะที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยืนเ ด, ดินนั่งหรือนอนก็แล้วแต่คือไม่กําหนดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะ่งเหล่านี้เป็นทมาคําว่าทุกข์คว่าทุกข์ในวรญญาณบอกว่ า, วาเป็นสิ่งที่เราจะต้องกําหนดอยู่ใหามันไม่ปล่อ้ละเพราะว่า ทุกันเนี่ยมันอยู่บนโลกเป้มันละไม่ได้เราต้องมาดู้ทุกมันเป็นผลมันมเป็นเผตุมันเป็นปลายทางไม่ใช่ต้นทางแต่เราไปไปสนใจกับเรื่องของปลายทางคืออยู่กับทุกเราวนวุนวายจะกับแต่ต้นเหตุของมันเรากลับไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ได้รู้คือต้นตอของมันเราไปสนใจแต่ปลายทางของเขา เรวมไปครบคันจอนเห็นได้การเกิดการดับการเกิดการดับฟับาสิ่งเหล่านี้คือต้นตอทุกเป็นฝนทุไทยเป็นเหตุเหตุของทุกอย่างหลายทั้งหมดทั้งหมดการค้าจิตของเราเป็นสมาธิเราจะเข้าใจต้นตอดูสายเหตุของเขาว่าอันนี้คือความจริงที่มันมีอยู่ของสรรพสัว์ทั้งหลายทุก ถ้าไม่เรียนรู้ศึกษาความจริงอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยู่กับความเป็นจริงเมื่อไม่อยู่ความเป็นจริงก็แปลว่าอยู่กับควาเท็จไปรับรู้แต่ความเท็จความไม่จริงเราไปรับรู้ก่อนั้นะธรรมจะบอกว่าอริยสัจรือสัจจาวันคือความจริงอันประเสริฐแต่เราไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้ ครั้งเราเคยเปลือกเทือกหลวงพอเปลืออฟังว่าระยะสั้นสีในชีวิตประจาวันของเารงาก็คือเปลือบเสมือนทุกเรื่องจะมาถูกกองไฟถ้าใครอยู่ใกลมันก็ร้อนหมดอะนี่มียกเว้นมันร้อนหมดพต้นต่อมันคือกองไฟคือสมทุทรไทยที่ทำให้เราร้อนถ้าใครเข้าใกล้เกิดขึ้นกับใครก็ต่าง ว่าจะขึ้นทางกายหรือขึ้นทางใจก็ตามบางก็จะเดือดร้อนเพราะนั้นทุกข์ก็คือใครเข้าใกล้ใครเข้าใกล้กองไฟเมื่อไหร่ร้อนถ้าใครต้องออกบางงนิดหนึ่งก็เย็นหรือรอกอไฟมันดั บ, บมันก็จะเย็นเองเพราะนั้นไฟก็คือเนี่ยก็ ค, คือทุกข์ของ เกิดขึ้นแล้วทำให้เดือดทำให้ร้อนร้อนทั้งกายร้อนต้งใจต้องรู้ว่าทําไมไฟมันเกิดขึ้นพอเราไปก่อมันเองก่อด้วยอะไรด้วยโลภะโทสะโมหะก่อด้วยรราคะโทสะโมหะก่อด้วยความอยากได้อยากนีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากนีอยากเป็นนี่คือไฟถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้มันเหจะไปพุนคําว่าร้อน ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจนี่คือจนตอในรูทะคือดบับคือเย็นเราไม่สางต่อเราไม่คิดต่อเราไม่พูุงต่อไฟมันก็จะดับเอคอยเย็นลเ็นลงคือในรูทะใจเราก็จะเย็นลงเองคือจะดับเอแต่นี้เารู้ว่ามันเย็นแล้วรูทูทาง ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกต้องเราก็ต้องรักษา อ, อย่าไปก่อคืนก่อไฟดีอย่าไปเติมเชื้อเข้าไปอีกแล้งั้นยังไม่พ้นกับมร้อนอ่ะวิธีทำให้มันดับก็คือสินสมาิเป็อย่างก็คือรักษากายรักษาวาจาก้อนตัวอื่นสิ่งเช่นนี้รักษากายกายับว่ออาจ า, า, ามันยังไม่ถึงใจส่วรทำในเรื่องของจิตใจเพราะฉะนั้นศินกับธรรมจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตปรวัน เราจะต้องเรืององคือสมาธิเมื่อสิ่มันครบบริบูรณ์จิตของเราไม่มีของกังวลมันก็เป็นสมาธิวานที่กัมุ่งไปที่ปัจจุบันเป็นหลักเมื่อเกิดสมาธิแล้วเราจะเรียนรู้สิทธัยด้วยตนเองเ่นกำหนดลมหายใจเข้าออกจะพุทโธธรรมสัพพสมาอะไรอะไรก็แล้วแต่พอเราเข้าใจไปก่อยๆมันเป็นทุกอย่าง ลมหายใจเป็นทุกอย่างนะพวกเราเป็นบอกเหิุตังแต่ว่สติเมื่อสติมันเกิดขึ้นมันนิ่งมันอยู่กับตัวเองเราจะรู้จากตัวเราเองว่าในขณะนั้นเราคิดอะไรคิดแล้วผลเป็นยังไรมันสุขมันทุกข์เฉยๆแล้วก็วางอารมณ์ได้แต่ถ้าตรงกลางตัวคนมีสติรู้ว่ามันเดือดรอนรู้ว่ามันทุกข์ก็ยังเค่ดต่อ รู้ว่าฟืนไฟนะ้มันร้อนก็ยังอยู่ใกล้ไฟอยู่ไม่พยายามที่จะออกจากไฟเนื่อยจากไฟยังไปก่อยังไปเติมเชื้อเข้าไปอุดมันก็ร้อนแล้วใครร้อนเราเผาตัวเองไม่มีอะไรทํานั่งเผาตัวเองเผาด้วยไฟอนะไรก็คือราคะโทสะมหันยังจะเรียกสิ่งนี้ว่าไฟไฟที่มันความมนุษคือเวลาต่างหลายก็คืออันนี้ ไม่ว่าเชื่อญาติจากนาใดก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคุณสมบัตกิกรรมันเหมือนกันหมดตอนนั้นโพธิ์ดับสิ่งเหล่านี้ได้คือหลักะทุษะมรรคของอันนี้คือดีโรดคุณสมบัติของพระอริยะคือดับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าพวกเราได้ไดช่วยเขาเขายัางดีคือกดไว้ทับไว้ทําให้มันเย็นลงด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่มีอยู่ของตัวเองอันนี้ มันก็จะได้หลังจากนั้นก็พิจารณาที่ปัญญากเพราะเรื่งางยากคือตัวเราเท่านั้นอาทิตยขั้นห้าเรื่องรูปเป็นยังไงเรื่องนามเป็นยังไงก็ยกขึ้นมาแต่ต้องเป็นสมาธิมีสมาธิจนเกิดปัญญาแยกออกว่ารูปก็คือดินน้ำไปลงนามก็คือเวทนาคือสุขทุกข์เจสูแล้วก็ตามสองสามสี่ห้าไปเรื่อ เราเรียกรูปแยกนามคือเข้าใจคำว่ายา่าเข้าใจเรื่องรูปความสร้างรูปเขาเป็นอย่างนี้ความสร้างเรื่องนามเขาเป็นอย่างนี้เมื่อรูปยังมีอยู่คือมันยังประชุมกันอยู่คือดินน้ำไฟลมยังประชุมกันอยู่ถ้าอีสี่ตัวก็คือเวทนาที่เราต้องผ่านมันยังเชื่อมต่อกันได้อยู่มันยังอาศัยอีสี่ตัวมันต้องอาศัยรูปอยู่ถ้ารูปไม่อยู่แล้ว ที่เราเรียกว่าตายคือดึงน้ําไฟลงมันไปคนะทิศคนละทางมันกลับไปสู่ธรรมชาติของเขาดึงก็เป็นดินน้ําเป็นน้ําไฟเปก็ไปลงก็เป็นลมมันก็เหลือแต่เวทนาทัวการตางกันแอ่นี่สี่ตัวมันต้องมีที่ตั้งต้องมีที่อยู่ต้องมีที่เกาะมันถึงจะอยู่ได้มันก็ใส่รูปละเอียดใส่รูปหยากมันไปได้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจหลักการอย่างนี้ในการพูดเยอะมา การเจริญทางด้านจิตใจถ้าโดยทางด้านภาวนามันก็ไม่เกิดมันก็สเปะสปะไปมั่วไปหมดมันไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเพราะนั้นคนตายก็คือเหลือดที่ซีคือเวทนาสัญญาสถารอีย่างรวมรูปคือดินน้ําเตโดมันนี่เพราะนั้นที่ีอื่นพบอื่นนทำเหมือนผู้หลอกก็ได้ ไปสร้างผลบางอเหมือนพวกเราไม่ได้อทจะเสวยเท่านั้นก็เหลืแต่ความดีความม่ดีเท่านั้นที่ไปเสวยต่ออยู่ที่มาอันไหนมันมากกว่ากันเพราะนั้นผู้เราด้านลระลที่ เ, ก, เกิดมาในมนุษย์โลกนี้ล้วนทําความดีความไม่ดีด้วยกันมาเท่านั้นล้วนเป็นทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นเส้นสาลาสัตย์เพราะจิตตัวนี้ไปไปเสี่ยงร่างอยูออกจาจิตมาออกจากร่างคนก็แล้วอุ้มด้ว่าชั้นของจิตนั้นวิธีคิดของจิตหรือความฉลาดกุศลของจิตนัะมันอยู่ในระดับไหนมันก็จะไหลไปตามนั้นนี่ต้องระวังถ้าเราภาวนาไม่เป็นมันคิดไม่เป็นกเหมือนคนนอนหลับมันคุมไม่ได้ก็ได้ถไปเสวย ก็คือฝันนั่นแหละที่เราสู่เป็นจิตวนมิตคิดอะไรขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาเป็นโมโนภาพคือภาพทางใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นะเกิดดับเกิดดับเกิดกดับอยู่อย่างนั้นถ้าใครภาวนาจะมาอันตรายอันตรายมากมากเราจะเห็นได้ในเรื่องเล่าท่างหลายเรล่อที่มีอยู่อยู่ๆจิตออกจากร่างคนประโยชน์ในร่างของหมาก็มีแต่เกิดอย่างนี้น ค, คืออันตราย เขาก็มีท่าเสียกันห้าเหมือนกวกเราเดีมันพัฒนาไม่ไดพัฒนาเหมือนพวกเราธรรมาดาในเสือาาเดี๋ยวจะเพราะฉะนั้นพูเราพร้อมกับท่าเสียกันห้าตอนนี้ผู้เราพร้อมมีความพร้อมมีพัฒนาตัวเองคือ ย, ยกระดับจิตใจของเราเพราะมันสูงขึ้นไปมีขึ้นกว่าเก่ากลังดีตัวดีกว่าเก่าถ้ายังกลับมาอยู่ถ้าเราไม่รีบไม่เร่งพิจารณาในแต่ละวันแต่ละเดือนรอให้เวลาเสียไป หนึ่งไฟเฉยๆเขานะบอกว่าเวลากับอายุเนะนี่มันคือของฟรีนะใครไปบอกของฟรีไม่มีในโลกนี่ไม่ใช่นี่คือของฟรีเวลาที่เราได้มากับฟรีอายุที่เราได้มาระวัฟรีแต่คุณสมบัติของเขาคื อ, คอแต่คำว่าของฟรีนะ่เวลาก็ดีอายุาก็ดีหมดแล้วหมดเลยมันย้อนกลับไปไม่ได้มันหมุนกลับไปไม่ได้อายุกรับเหมือนกัน อายุอะไรหรือว่า6กแล้วคือหมดไปแล้ว66เสียไปแล้ว66มันย้อนกลับไปไม่ได้ได้ไปแล้วมันเสียไปแล้วลดจะได้แต่ขนะไม่รู้ครูบาจารย์้แน่า80 90โดยเฉลี่ยประมาณ80นี่คืออายุหลังจากนั้นก็หมดละหมดอายุหมดบุญคำว่าหมดบุญนั่คือหมดโ อ, อกาสที่จะทำบุญ พอจิตออกจากร่างนี้ไปแล้วนี่โอกาสที่จะทําบุญอย่างมนุษย์มันไม่มีถ้าเรานึกอะไรไม่ออกก็นกึนวกว่าเวลานอนหลั บ, ททบมีโอกาสทําบุญไหมจิตในเวลาที่เรานอนหลับมีโอกาสได้ทําบุญไหมมันรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมว่านอนหนึ่งทีชั่วโมงตื่นขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ตื่นก็คือรู้ตัวคือรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวคือเวทานา เวทนามันเริ่มรู้จับตัวเริ่มเริ่มสุขเริ่มทุกข์เริ่มเฉยๆเขามารู้สึกตัวนั่นตัวที่สองมันก็ประกอะรูปต่อคือดูน้ำไปลงมันคือเกาะร่างกายมันก็ทํางานต่อกตามันก็ทำหน้าที่ต่อเพราะก่อนนั้นนั้นมันทําหน้าที่ไม่ได้แล้วไปหลับต่อโอ้มีมันกันจะทําหน้าที่ไม่ได้ปากก็ไม่ได้ไม่ได้พอรู้ตัวเข้ามาก็ตื่นตื่นขึ้นมา มันก็ทําหน้าที่ต่อเวทนาสัญญางัท่านทำาน้นที่ต่อท่านทีแต่คนที่เราไม่มีสติรูปต่างกับพระอริยะพารังค์ก็แม่ไหวอาจารย์ท่านสติท่านต่อเนื่องท่านรู้ท่านคำนวณดังสติท่านพร้อมก็จะรู้ตัวเนี่ยรูปความแตกต่างนปฏิบัติกับผู้รากับพู้พราไม่ไหวอาจารย์ปฏิบัติปฏิพยายาแยกต่อเนื่องมีความแตกต่างท่านจะแยกเอาว่ารูปนามเป็นี้ มรูปมันดับแล้วนามมันไม่ได้ดับมันไปต่อมันไปกาต่อทิฏฐิทิฏฐิเป็นยางมันก็ติฏฐางกระหาไปต่ออั น, นคือความสําคัญไม่เชฉะนั้นในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่คืองปฏิบัติได้พูดยังไงปุญญาประมาทในชีวิตในใบว่าปุญญามีเวลาอีกเยอะวันนี้เท่านี้พอมันไม่พอหรอก มันพอจริงต้องจุดนี้การจุดเริ่มต้นกานแรกบันไดก็คือสกิรยัิทิฏฐิวิจิตรฉาที่ต้องแต่ประมาจาอันนี้คุ้มเกิดมาแล้วบันไดครั้นแรกเกิดขึ้นกับเราแล้วมันคุ้มหากบันไดขั้นแรกยั ง, ย, งยืนยืนไม่ได้เก็ไม่ได้ยังไม่มีทิศทางแลยยังหาหลักประกันของชีวิตไม่ได้ชีวิต ม, มีทิศทางเพราะนั้นเราต้องมุ่งหมายดัดจิตใ จ, จดัดปฏิบัติของพวกเรา ให้ดาวโดยความพื้นฐานหลักๆในชีวิตประจำวันของเราต้องของององึ้นได้ตัวเองเองเราพึ่งพาตนเองได้ก็กลับไปที่เดิมคือจิตมันต้องมีชี้เลือนงคอยดูแลนี่ก็าปาหันเลี้ยมันเรียรักษาโลกก็คือสติอื่อีๆสติตัวเดียวนี่เราสามารถสืต่อไปอีกสติปัญญาตามมาด้วยกันอาเมื่อปัญญามันเกิดแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้น รู้แจ้งคือจริงตามความเป็นจริงชีวิตของโ น, นุษย์ดันได้รู้จักกับวิชีวิตจิตกรรมสารอย่างเลยนะซึ่งมันต่างกับสรรพสัตว์ทั้งหลายมันไม่ต่างกับสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายคือจัมา้าบวกเขามีวิากาใจเขาก็มีเหมือนนะมีชีวิตมีจิตแล้วก็มีกรรมคือการกระทํามันอยู่ตรงนีน้แต่ธรรมะไม่มี ซี่จะต่อจากท่านนั่นเองมันก็ได้แค่สเรื่องคือใช้ชีวิตเป็นรันวันแล้วก็ชีวิตจิตก็คือจิตไม่รู้ว่าจิตมาซ่อมมองไม่ซ่อมมองไม่รู้ด้วยแต่กรรมการกระทําการกระทาเกิดจากกิเลสกรรมนีบานะครับผมก็มันวนไปเวียนมาอยู่อย่างนแต่ธรรมะมันไม่เกิดอั น, นี้คือธรรมชาติที่มันเหมือนกันแต่ที่มันต่างกันคือมนุษย์มันดีกว่า ค, คือเรื่องํา ร, รมะ ถามนุษย์มึงมีธรรมะทําไมปฏิบัติธรรมจะไม่ต่างกันเลยลรูปร่างลาตาถาดสีกันหางเหมือนกันแต่ต่อจากนั้นไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราใช้แค่ชีวิตมันก็มีแค่จิตมีกรรมกันกระทําอย่างเดียวึันไม่มีธรรมะนะครับปฏิบัติธรรมะไม่เกิดขึ้นปัญญาก็ไม่เกิดชื่อเรียกว่าธรรมะปัญญาธรรมะ ป, ปัญญาเกิดขึ้นแล้วสีวิตต่อมาคือนิพาาพานเวรฆาตสตินิพพาน ตอนตอเนื่องมันมาแต่มนุษย์ทั้งหลายไปไม่ okay. มถึงได้แค่นี้ชีวิตมันก็เลยได้แค่นี้เมื่อได้แค่นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแไปมันเจ้าวนไปมันไปท่าสี่ขันห้าเหมือนกับกันหมดแต่พัฒนาอะไไม่ได้เราจะเห็นมนุษย์มนุษย์บนโลกวนนี้เจ็ดเป็นพันล้านคนมันจะค้ใครอย่างนี้ผู้นคนที่พัฒนาตัวเองได้มีจํานวนน้อยมากๆากไเท่านักธรรมดา เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไี่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ปภพอะพุทธศาสนาเจอครูาจาหลากหลายก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเราเราพัฒนาไปเองให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกว่าเก่าอย่างน้อยถ้ายัางไม่หมดไม่พ้นก็คือมันต้องมีกว่าเก่าหรืออย่างน้อยก็คือกลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิม มันจะสร้างวัฒนธรรบาลามิดางถ้าไปพบธัดอื่นหมดหมดจริงๆต่อใหเป็นเทวดาเทวดาฟ้าดิอินทร์มันก็ไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะนําไปสวยไปสวยก็มีธาตุธาตุสีย่างเดีวไม่มีขันห้าอย่างเราไม่ีขันสีไม่ไจะมีขันห้าอย่างเราขันห้าที่เขาไม่อยู่ที่เขาเข้าใจเราเป็นรูปเป็นร่างก็คือเกิดจากการจิตมันยึดเอารูป จุดที่ว่ารูปในกรรมฐานทั้งหลายพอจุเอารูปเรว่าจารูปประช า, า, ชาน อ, อ, อ, อ, อารูปประชานมันก็จุดยึดเรูปอนั้นเป็นหลักในกเข้าใจเอไวส้สวยโรูอ่านมันเรีนรูปแลว้วก็อยู่อย่างนั้นต่อให้อยู่เป็ น, 100, นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตือเมื่อหมดมันก็คือหมดมกลับมาที่เดิมก็ออาจจะแย่กว่าเดิมหมดก็ต้องนำมันหลับเอพราะนั้น พยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปได้เรามอาที่ศึกษาเราเี่ยนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปได้นอนทุกคนภาระหนะ้าที่ที่มีอยู่ตอนนี้เพื่ออายุอานามเพื่เวลาเราจะมีอยู่เราผ่านมาแล้วแต่ละคนยี่สิบปีสามสิบปีกรามองไปย้อนหลังว่าเออยี่สิบสามสิบสีสิบห้าสิบหกสิบปีที่ผ่านมาเรากําไรมากแค่ขนาดไห น, น เวลาถ้าเราไม่รีบไม่เร่งไม่พิจารณาศึกษาดูตลอรเองให้มันมากในแต่ละวันแต่ละวันมันจะมีอะไรดีขึ้นวกนนว่ากันมันก็รกี่ยวกับผ่านมาแล้ว21วันที่เราที่เรยกว่ า, าได้มาเนีะเวลาผ่านไปแล้วก็แปลว่าเวลามันหมดไปแล้วอายุเราหมดไปแล้วอะไรก็สิ่งที่เรามหมดไปสิ่งที่มันหมดไปที่มันผ่านไป ได้เสียเท่าไหร่นั่นคือปัญหาทําไม่ได้ไเลยเนะ่ยโอ้เขาก็หมดไปนับฟันนับเดินนับปีไปเฉยๆเวลานาทีไปงนั้นแต่ว่าความดีที่เคยเคยมันไม่มีมันน้อยเพราะฉะนั้นความดีที่เราทำทด้วยกุญแจต่างๆเรานะั้นถือว่าง่าที่สุดไม่ต้องลงทุนลงแรงเลยเลยแต่ธรรมชาติของคนโดยส่วนใหญ่เราจะมุ่งปฏิภานเป็นใหญ่เป็นหลัง เพราะนั้นเวลาพูดเราเทิพระสุโงกอะไรเหมือนกันพลานาแต่เรื่องทางทำหน้าไปมากยิ่งทานเท่าไหร่ยิ่งได้นะก็ไปสอนให้คนเกิดกิเลสหมือนต้องมาติดกิเลสแต่เกิดความอยากได้อย่างนี้อยากอย่างนี้ซึ่งมันตรงกันข้ามคนที่มีสติเพราะนั้นเดี๋ยวอธิบายสั้นๆเรื่องโลกการทมันต่างกันตรงนี้เรงโลกเราก็ทำเอาคือทำให้ต้องได้ยิเงเรียกว่าโลก ส่วนทำละทำเราต้องจริงไม่ได้ทําเอาเราทาแล้ ว, ลวออก็ทิ้งทงั้งความดีและความไม่ดีทาเพื่อจร้งไม่ได้ทําเพื่อเอาอันนี้คือทำส่วนโลกเราถ้าคิดไปอย่างได้อยู่ยางเงี้ยมันเป็นเรื่องของโลกเพราะฉะนั้นที่เราทำามันก็เริ่มต้นจากศีลสมาธอปัญญามันไม่ต้องเราตัวละสักบาทเลยมันมหัดจัดจั ทานมันต้องลงทุนแต่เราก็ยังดื้ล่นคนไข้เพื่อจะทําทานให้ได้ทั้งตั้งทัศิน์สติปัญญาไม่ต้องลงทุ น, นอะไรเลยของที่เรามีอยู่คือธาตสี่ขันธ์ห้านนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเดี๋ไปต่อยอดทำมากขึ้นมากขึ้นถือว่าได้บุญเยอะบุญเยอะกอ่ทาที่ต้ไปส่วนทานเป็นเรื่องการแต่งปันเพื่อกันเพื้อเป็นสอนคนให้มันเสียสละคือจารักคือได้มาต้องสละออกบ้าง เรื่องจังคะ่ะเป็นเรื่องยางไม่ใช่เรื่องละเอียดอเลยแต่สิลวันนี้เป็นย่ากเป็นเรื่องเอียดแต่เราก็บอกว่าเราสนใจกันแล้วก็มันได้สอนกันเป็นเรื่องปีนาวิจารณ์จะนั่งว่าอันนี้เป็นควาสัมคัญธ์นะเป็นความมีผ้านะแล้วก็มต้องลงทุนลงทุ น, ทนอะไรเลยในชีวิตแอมังเกลี่ยนแปลงสิ้ น, ก, น, นก็อยู่เฉยเฉรักษากายไว้จาไปเองเป็นสิลทัน ท, ทีแล้วสวัสดิ์ก็ขอให้เราอยู่กับปัจจุบันให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน ว่าจะเป็นสุเป็นทุกข์หรือว่าเฉยเฉยให้เรารู้แล้วก็อยู่ของเราทุกข์ก็คือทุกข์สุขก็คือสุขเฉยเฉยคือเฉยเฉยมันก็็นลักษณะของโลกเหมือนกลางวันกลางคืนเดียรู้ไหครับสิบสองชั่วโมงก็เป็นกลางวันสิบสองชั่วโมงเป็นกลางคืนเขาอยู่อย่างนี้เขาอยู่เขาอย่างนี้จิตของเราเหมือนกันเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักหลักการคิด แล้วเขาอาจิตไปผูกพันเป็นพิจารณพิจารณาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเป็นชีวิปัจจุบันมันปัจจุบันนี่จะคือเรื่องสำคัญเรื่องปัจจุบันนั้นทางให้อยู่ปัจจุบันจิตมันอยจ่ปัจจุบันทางมันไม่กับมาดิบบางคนตรงรู้ตัเอาเรื่องเก่านะมันหนังเก่านะมันจะหนังใหม่นะก็ดึงกำลัาอยู่ปัจจุบันถ้าไม่อยู่ก็อนาคตโอ้มันยังไม่เกิดขึ้นเลย ก็เราก็ไม่ต้องไปไปตกกวนอะไรกับมันเคิจะด่าครับไม่รู้ดึงมาอยู่กปัปัจจุบันปัจจุบันเนี่สำพัญที่สุดไม่เกี่ยวกับอดีตไม่เกี่ยวกับอนาคตปัจจุบันมันก็คือเดียร์ต่างคนนั้นแหละะเหมือนตอนนี้ความมาถึงพวกนี้นวันนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วเมื่อวานวันนี้มันก็เป็นอนาคตของเมื่อวานเพาฉะนั้นคำว่าปัจจุบันธรรมก็คือถ้ารักจิตจะเข้าใจอยู่กับปัจจุบัน คือเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะ น, นี้เราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรอยู่เนี่ยนี่ก็อยู่กับปัจจุบันมันจะเปนสตินิสันปัจฉัญญะรู้ตัวนี่คือคุณสมบัติของวิปัสนาค่ะว่าวิปสัสน า, า, สนาคือทั้งรู้และเห็นไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้ด้วยเห็นด้วยและที่สําคัญคือว่างได้ไม่ใช่รู้แล้ววางไม่ได้เห็นแล้ววางไม่ได้ไม่เรียกวิปสัสนา พิทย์าศาสตรต้องรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วก็วางได้ด้วยถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างนี้รับรองเลยว่าใจของเราจะไม่เป็นไฟจะไม่อยู่กับไฟไม่อใจไม่เป็นไฟมันก็เย็นไม่ภานะก็เย็นใจเราก็จะเย็นคุณสมบัติของเย็นหมือนดินคาอากาศ น, นั่นให้คุณสมบัติเย็นได้หมดใจของเราเหมือนกันถ้าใจเราเย็นได้แล้วคนอยู่ใกล้ตัวเราก็เย็นได้ โดนกระนข้ามถ้าตัวเราร้อนใจเราร้อนดนรอบตัวเราครับก็ร้อนไปหมดไม่มีใครอยาเข้าใจของตัวเราร้อนร้อนด้วยไฟคือราคะทุสษาโมหะที่มาครอบงำมาครอบขางมาตัวเราเองวันนั้นการปฏิบัติคือการให้เราดับมีโรทางคือดับเสมอนี้แล้วก็หาวิธีการดับนี้ดยการกดดันลมหายใจข้ออุทุมโมสัโคดูลลมหายใจเกาจอละเยียดยากจนเลือดจะใจ พออยู่ตใจแล้วใจมันสศกใจมันทุกข์ใจมันเฉยเฉยสติกำกับดูแลไม่้างไปสนใจว่าอันนี้มันโศกอันนี้มันทุกข์มันเฉยเฉยวางใจเนอารมณ์เป็นกลางเนี่ยถ้าใครตั้งใจเป็นกลางได้หลวงท่อเทวทวโรนั่นก็คือคนที่ปฏิบัติแล้วก็วางเป็นกลางได้เนี่ยวาจาเป็นคําสอนท่าสั้นมากไม่ได้ยาวเ ไ, ไ, ไม่ได้เยอะเยอะคำสอนคำรู้เรื่อง เขาใจง่ายทันทีเพราะนั่นการปฏิบัติจริงไม่ใช่เรื่องยุงย่งยากซับซ้อนขอให้เราได้ลงมือทำพูดคิดในชีวิตประจำวันจริงมันไเป็นประโยชน์ไม่ว่ า, าเราจะมีสุขมีทุกข์อะไรก็ตามกาหนดให้รู้ว่าเออสุขอย่างนี้ทุกข์ไปจากนี้มันมีทุกคนไม่มีใครไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ใครไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความทุกข์ด้วยใจไม่มีที่แต่เราไม่รู้ เขาก็ไม่สติอะไรเขาระลึกนึกขึ้นมาไม่ได้สมปรจัญญาที่วางรูปตัวมันมีไม่มีเพราะาเราไม่เคยกําหนดเสียงร้อ น, นในวงกลมเรมคิดในชีวิตประจําวันจิตเราก็พุ่งสานรังค่างมีแต่ความว่ตกกังวลอะไรก็ไมรู้ส่วนที่สุตความวกังวล ม, มันไม่เกี่ยวกับเราเลยแล้วก็อมาแบกมาคุดจนมันเหนื่อยจนมันล้าจนไม่มีกาลังก็ทลายตัวเอง ทำลายกำลังใจตัวเองกลับมาที่เดิมที่หลวงพอพูดเหนื่อยได้พักถ้าเหนื่อยมันก็พาถ้าหนักก็ต้องวางอันนี้คือธรรมชาติง่ายๆสอนสถ้าเหนื่อยแล้วไม่พักอีกไปโทษใครไม่ได้เหมือนเหนื่อยแล้วเราจะทํางานอยู่เราไม่นั่งพักไม่นอนพักสักพักอาจะนบนบนจะไปวนๆเหนื่อยสักพักมันไม่หายมันต้องพักถึงจะหายเรา รู้ว่าอะไรจะมันหนักจิตจะเร็วเลยมันหนาเป็นภาหนักคือภาละต้องวางมันก็จะเบาก็จะวางลงวางได้เท่าไหร่เบาเท่าน้ําจิตของเราก็จะเบาขึ้นมันจิตบรรเลามันจะไปได้เร็วคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วไปได้สูงเพราะมันเบาตรงข้ามจิตได้มันหนักไปไหนไม่ได้เหมรัรงกาวแบกทุกอย่างกับคนที่ไม่แบกอะไรเลย เวลาเดินนะใครจะเร็กว่ากันจิตก็เหมือนกันถ้าเจิตเรามันหนักก็คือภาระนั่นแหละหนักจากอะไรนะนหนักกันท้านักที่เคยจากการท้าเลยมียว่าภาระฮาวีเป็นจากการท้าการท้าเป็นภาระอันหนักที่เรื่องเปนหนักเพราะอะไรเพราะเราไม่วางวางมันไม่ได้ไม่รู้มันหนักมันหนักไ้วยต้องวางให้วางได้ มักไว้ขนาดไหนก็ ว, วางรูปวางนามหมักไว้ขนาดใดก็แล้วเพรั้งก็จะเบาที่เจมันก็จะเบาเบาบางมันไปได้เร็วในทางปฏิบัติมันก็เร็วขึ้นดีขึ้นเบาขึ้นมันก็เป็นพอ ด, ดีแต่เราทั้งนั้นแต่ถ้าคุณปฏบัติเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเลยในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ล ะ, ละปีก็แน่นอนมันก็หนักหนักมากๆที่หนักตารมาดามมันหนักขนาด แต่ว่าดูจะว่ามนุษย์เวลารอง ร, รองรับนี่พวกให้เหมือนคนตายคนตายนี่น้ำหนักเท่าเดิมแต่สี่คนยกไม่ขึ้นเพราะมันมันหนักมันไม่เตอร์นหนักมากร่างกายสังขารทัศน์เสียงเพราะนั้นพยายามที่มันจะทําให้ร่างกายทัศเสียงก็น่าให้เบาบางที่สุด เดยกานึกคิดพิจารณาถึงบ่อยว่าอันนี้เป็นเรื่องของรูปอันนี้เปเรื่องของนามนะอันนี้เป็นเรื่องของกายนะอันนี้เป็นเรื่องของใจนะแค่นี้เบื้องต้นก็นชื่อว่าการปฏิบัติตงทางแล้วแต่ถ้ายังไม่รู้เลยว่ามันสุขมันทุกข์มันหนักว่าเรื่องกายเรื่องใจอย่างนึกไม่ออกยังแยกไม่ออกนะโอนักเลยครับปฏิบัติอย่าง ย, ยาวอย่างอีกต่อยอนคอยเรารู้ว่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องกายเรื่องใจให้มันเออก เรื่องเขาเรื่องเราทุกคนอื่นเอามาแบกเอาเป็นเรื่องของพวกเราเนะี่ยเรียกว่าวางไม่ได้วางไม่ได้เฉพอเป็นแบกทุกคนอื่นเขาอีกมั น, นหนักเลยยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นจัดการเรื่องตัวเองให้มันเรียบร้อยเรื่สุขเรื่องทุกเรื่องรูปเ ร, เรื่องนามของตัวเองให้มันบรรเทาเบาบางลงในที่จะมันรเราเขเชื่อเราเข้าใจรูปนามคือกายใจของตัวเอง ให้มันดีขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันเราก็เชื่อเป็นทักปฏิบัติที่ดีเป็นลูกเป็นหลานของพ่อแม่กวดอาจารย์เป็นลูกของพุธทธเจ้าประทานพระสงฆ์ที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบเจริญรอยทางมันก็จะเบาบางมันก็จะเบาบางลงการปฏิบัติคือดัจ่จิตใจของเราก็จะดีขึ้นเจริญขึ้นมันจะเ บ, บาเบาบางลงจะเข้าใจโลกธรรมมากขึ้นแต่ถ้าเรายัางไม่เข้าใจเรื่องโลกเรื่องธรรม ก็อยาจะบอกว่าเรื่องโลกนะก็ทำเพื่อเอาทําเพื่อได้ทําเพื่อมีทำเพื่อเป็นเรื่องโลกนะส่วนเรื่องทําเนี่ยมันต้องไม่เอาอะไรต้องทิง้งทำเพื่อเพื่อรู้คนมีสติสุดท้ายเพราะมันก็ต้องคิ้งจริงๆไม่แต่ความดีความไม่ดีที่มันอยู่ต้องทิง้งในขณะมันก็จะติดคือติดดีติดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ถ้าติดดีก็ยังไปดีหน่อยก็จะดีแต่ก็ยังติดอยู่ถ้าติดองไม่ดีเนะี่ยหนักเลย ถ้าจิตเป็ของไม่ดีมันจะหนักแต่ถ้าเราวางตัสองเราได้านทั้งดีและไมนดีมันก็จะไปได้ไกลไปได้สูงก็คือดับนั่นแหละมายก็ว่าดับความดูมันก็ดับความมีคือมันมีมันก็จะไปไปที่ไหนตอบไม่ได้ว่ะได้ภานะมันดับมันเย็นคือตรงไห น, นมันว่างอยู่ตรงไห น, นแต่ถ้าคนปฏิบัติเราจะรู้เองเราจะเข้าใจเอง โดยธรรมชาติแบบอันนี้คือคุณสมบัติการผู้ปฏิบัติมันก็ขอเป็นกําลังใจให้พวกเราจะทําจะได้ในชีวิตประจำวันต้องทําให้ได้ทุกวันในแต่ละวันวันละวันแกตัวเองแล้วก็ดูตัวเองดูความดีความไม่ดีของตัวเองอย่าไปดูของคนอื่นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เรื่องนักปฏิบัติแล้วนักปฏิบัติต้องดูตัวเองตัวเองเข้าใจให้เห็นว่า ตัวเองเรวดสายัวเองขนานี้รูปหน้าตัวเองขนานี้รูปกายเป็นอย่างตเองขนาดเป็นอย่างนี้มันเ บ, บาบางหรือยังมันลดน้อยถอยลงไปหรือยังความดีมันเพิ่มขึ้นหรือยังเราเท่า น, นั้นที่จะรู้วันนี้สิ้นเราไปครบไหมเราเท่า น, นั้นจะ ร, รู้แต่เราทบทวนสมาธิเรามันไหมมั่นคงไหมไม่ว่าแวดการอะไรไปแต่สัญญาอารมณ์ที่ ม, มันกระทบะเราก็จะรู้เองแล้วปัญญามันเจริญขึ้นไหมในแต่ละวันหรือว่าเท่าเดิม มันม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเราก็สามารถหยทบยกที่ยกยื่นได้ด้วยตัวเราเองอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนสุบัติกับโอวิบัตทำทั้งหลายเปะนั้นวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจใพวกเราทุกคนปีใหม่มายี่สิบกว่วันแล้วก็ขอให้ที่เหลืออีกขอให้เราทั้งหลายมีความดีเพิ่มขึ้นเข้าใจรูปเข้าใจนามเข้าใจกายเข้าใจใจของพกเรากันมากขึ้นมากขึ้นในสุดงาน เราก็เชื่อว่าเป็นทางปฏิบัติ ข, ขอให้เราเระหนาได้ในความสุขควเจริญอยู่ใบโลกขอเจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็จะเกิบทำให้ความสุขควาเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทิญ